Thank mm -hmm. you.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 ที่เขาใส่เขาสะพายเขาใช้ของชิ้นนั้นอันนี้ก็เป็นปฎิ ก, การโฆษณาว่าเออเห็นดาราชื่อดังนางแบบหรือว่านักธุรกิจชื่อดังเขาสวมเขาสะพายเขาใช้ของชิ้นนั้นจนกระทั่งเรามีความรู้สึกผูกติดนะเอาของชิ้นนั้นมาเชื่อมโยงกับคนคนนั้นพอเราได้ใช้เท่านั้นแหละเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคนคนนั้นเลย เราลุสุมันก็ว่าความเป็นคนเก่งความเป็นคนสวยความเป็นคนที่ทันสมัยของคนทุนนั้นเนี่ยมันซึมซับมาอยู่ในตัวเราเราก็กลายเป็นคนเก่งคนสวยตอนทีที่เราได้ใส่ได้สะพายได้ใช้ของชิ้นนั้นอาจจะไม่ใช่กระเป๋าอาจจะเป็นรองเท้านะรองเท้านักกีฬานะซึ่งไทร์เกอร์วก็ใช้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 เวทนาแล้วก็ตัณหาก็ปรุงเป็นอุปาทานได้อันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบบางทีก็เราก็เห็นได้บางทีเห็นหน้าคนบางคนมันก็รู้สึกกรากระอ่วนขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าเห็นหน้าเขาก็เป็ น, นึกถึงเพื่อนของเขานึกถึงเพื่อนของเขาก็นึกถึงการกระทำของเพื่อนคนนั้นที่เขาทำไม่ดีกับเรา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 เพ่งเพราะว่าอยากนะเพ่งแล้วก็อยากพอทำไปแล้วทำไปได้สักชั่วโมง2องชั่วโมงมันก็เครียดขึ้นมาทันทีเครียดแล้วก็ปวดหัวแน่นหน้ า, นาอกก็ยังทาต่อไปทำต่อไ ป, ทำ อ, ไปทำอย่างนี้อยู่หลายวันเนี่ยมันก็ปรุงแต่งมันก็เป็นประทับนันนในจิตใจว่าไออาการแบบนี้แหละการสร้างตัวแบบนี้แหละคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบหรือว่าเป็นการไปซ้า ตอกย้ำให้กับจิตใจว่าถ้าสร้างจังหวะแล้วเนี่ยมันต้องเพง่งถ้ายกมือทีไรเนี่ยจิตมารู้ทันทีเลยว่าต้องเพง่งเพราะว่าเราทํานี้อยู่หลายครั้งให้บางคนเนี่ยพอทําได้สองสาอาทิตย์เนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยทำได้2อสามอาทิตย์พอแค่ยกมือขึ้นมาทีเดียวแค่สอาครั้งเท่านั้นมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยเนะมันเครียดเพราะหนึ่งจิตมันเพ่งทันทีจิตมันทํางานทันที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 มันก็ไม่ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าจะรู้ตัวได้มันต้องเผลอก่อนเผลอก่อนถึงจําได้นะถ้าไม่เผลอมันก็ไม่มีเหตุที่ต้องจําได้แต่ที่มันเผลอเดียมันถึงจําได้เพั้นเผลอไปบ่อยก็ทําให้จําได้บ่อยๆมันก็ทําให้มีสติแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นคราวนี้มันก็มีโอกาสที่จะเผลอก็คือปล่อยให้มันมีอิสระที่จะเผลอบ้างปล่อยให้มันมีอิสระที่จะเผลอ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 เราก็จะบอกอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารเผ็ดไม่เผ็ดเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยได้แต่คนนี้มักจะแยกไม่ออกก็พูดคลุมไปเลยว่า mm hmm. บางนที่ไม่ชอบเอาความรู้สึกเข้ามาเข้ามาตอบก็ไม่ได้ถามความรู้สึกก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยมันอย่างว่านะพอเห็นแล้วมันก็ปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทา น, นทันทีแล้วก็ไม่มีสติที่จะแยกแยะมันก็พูดคลุมคลุมไป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 เรามีสติไว้ขึ้นไาคุณก็จะเห็นว่าเออไอนี่เป็นความรู้สึกนะไ อ, ไอนี่มันนี่มันเวทนานะไอนี่มันเป็นความชอบไม่ชอบมันเป็นอารมณ์นะเป็นความปรุงแต่งนะมันก็จะเห็น on, เมื่อเราเห็นแล้วมันก็เข้ามาครอบงับ จ, จิตใจไม่ได้ขออย่างงี้ไม่ใช่ว่ามันจะห้ามได้ในความคิดความรู้สึกนะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราเราก็รู้ว่าเออนี่มันเราก็แยกเยอะนี่คือความจริงนี่คือความคิ ด, น, คคคดนี่ความรู้สึกแต่ว่ามัน ก็จะไม่ให้ความรู้สึกมาครองใจเราถ้าไร้ความรู้สึกมาครองใจเราเมื่อไหร่มันก็เป็นอัตตาธิปไตอัตตาธิปไตก็คือว่าการเอาตัวตนการตัดสินอะไรโดยใช้ความรู้สึกของเราโดยใช้อัตตาเนี่ยอัตตาคือความชอบไม่ชอบอยากได้ก็ดีอะไรที่อยากได้อะไรที่ที่ถูกกิเลกก็ชอบอะไรที่ถูกกิเลกก็ถือว่าเป็นของดีอะไรที่ไม่ถูกกิเลกก็ไม่เอาไม่ใช่ธรรมาธิปไตย อธิปไตยวันนี้ไม่ได้ไหแปลว่าการปกครองนะแต่หมายถึงว่าการการเลือกการตัดสินโดยเอาความถูกต้องเหรือความถูกใจถ้าความถูกต้องเป็นหลั ก, กเรียกว่าธารรมะอธิปไตยถ้าอาความถูกใจเป็นหลักก็อัตตาอธิปไตยถ้าความถูกใจของตัวเองเรียกอัตตาธิปไตยถ้าความถูกใจของคนอื่นเรียกว่าโลกาอธิปไตยจะทําทอะไรก็ดูว่าคนอื่คิดยังไงก็ว่าอย่างไรเขาไหวงั้นยกงเอาด้วยนี่หลุดโลกาอธิปไตย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 ก็เกรงมันก็เสียวมันก็ช ง, งักซะแล้วสมองของคนเราหรือธรรมชาติของคนเรามาถูกสร้างมาเพื่อแบบนี้แหละเพื่อให้รู้สึกก่อนที่จะรู้ว่าคืออะไรเพราะว่าถ้ารู้สึกแล้วเนี่ยมันจะได้ป้องกันรหรือว่าหนีทนันการที่เราจะปฏิเสธความรู้สึกเนี่ย ม, มันยากนะไม่ใช่ว่ามีสติแล้วจะไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกเกรงอะไรมันไม่ใช่